จะปล่อยให้มันต้องขาดทุนแล้วปลับมาแก้เหมือ น, นคนที่ทำการห้าแต่ไม่สนใจว่ตาตดนจะขาดทุนหรือเปล่าถรอคิดก็มันส้อขาดทุนหรือกำไรก็สร้างมันตอนนี้เซมสนุกสบายก็พอทายที่สุดก็ตมงิ ขอให้ตอนนี้ฉันสบายก็พอจึงทำแอบความเชื่อและสิ่งที่ได้ดีท่าที่สุดก็ต้องเด็ดที่บากนั้น จากภัยและเคราบหร้ายทั้งพวงได้ทำการจริงในก็จะสำเร็จอย่างใจแต่ชนะเมือ่อตายไปดวงจิตก็จะไปเจ่มแท้คนสวรรค์ฉ้ น, นในฉัน กิจของนักอวดให้แต่นินแปดเป็นต้นไผยแค่ต้องมีการดอวอย่างแ ท, ท้จริงให้คนเพื่อนแล้วื่อยกีดจันปัญหาหาเพื่อแดนม น, นุษย์ก็จะมีนิพพานสุขเกิดขึ้นในายใจเมือ่อตาใจก็จะสามารถเข้าสู่ที่ าไานอยู่เป็นพาาารอรหตมีกายเป็นกายรแรกและจะไม่มีการขับมาเกิดอีกและถือว่า ท่านพัฒนาระดับไหนก็ชคดีครัเอย่าปล่อยให้ขาดทุนและเวลาของท่านไปเลยความสำเร็จของมนษุษย์ที่แ ท, ท้จริงคืออะไรหินใดกันแน่ที่เรียกว่าความสำเร็จแล้วพะพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์เรา มักจะถามหาความสำเร็จอยู่เสมอรอคอยความสำเร็จอยู่เสมอแต่จะหามันเจอได้อย่างไงเล่าเมื่อยังไม่รู้จักกับควมว่าความสำเร็จนั่นคืออะไรเลยถึงแม้ว่าจะหาจนวันตายก็คงจะไม่มีวันพบล้อกเราไม่รู้สักกัมันมนุษย์ ล่อยให้ขาดทุนกลับไปแล้วก็กลับมาใชนี้ในรอดหน้าหนี่ทิ้จะเป็นความสำเร็จของมนุษย์อย่แท้ทิงตอนนี้ต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องทำกันก็ให้รีบทำซะ น, นะก่อนที่เวลาจะหมดไปความสำเร็จ ก, ก็อยู่ใกล้แค่นี้เอ ง, เอง ไม่ได้อยู่ไกลเหมือนที่คิดเอาไว้ฉงรีบเข้าหามันเถิดอย่ามัวแต่รอให้มันมาหาเราเลยต่อไปนี้ก็ําเล็จทํามานีย เขใจว่าแท้ที่จริงพระอรท่านกําลังสอนธรรมะกับหนูท่านกําลังบอกหนว่าการที่ใส่รองเทาที่มีความสูงเพื่อให้ดูดีมีสงาสูงปากกระติบแม้มันจะทําให้เราดูดีขึ้นมาก สบายไม่ต้องะรละลัดระวางกลัวสับล้มและไม่ต้องมาเจ็บข้อเท้าในตอนหลังพราอม บ, บันทีกและไม่ว่าจะยังไงคนเราก็หนีความเป็นจริงนั้นไม่พ้นเปลียชเสมือนคนที่ไม่รู้สักพอใดมีสิ่งที่คนนั้นมีอยู่และพยายาม ไม่ต้องกลุ้มแอะอะไรมากเมื่อจักคนที่คอยทำจิตใจคนให้เป็นคนดีทำชิตให้จับหาแต่รวนผูือนด้วยเหนุอันนี้ไม่เรียเปล่าก็ i o n a ทั้งหลายได้ฟังกันก็ขอหนักลมทุนทั้งหลายสนสำเสร็จด้คกำไรปายกันทุกๆเดือนจิตนั้นช้าและหัดดูจิตใจที่จิตนี้บา